จจิตใผู้ที่อยู่ข้างหลังให้จมหายไปกับระยะเวลาสามปีอย่างไรก็ตามปราดผู้เท่าท่านเดิมค่ะก็ได้อธิบายว่าช่วงระยะเวลาสามปีที่รอการขุดขึ้นมาทำบุญถือเป็นช่วงที่ญาติต้องฝึกพิจารณานะคะว่าเป็นธรรมดา